بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا ع و ا ن إلا على الظالمين وصلوا وسلموا على شرف الأولين و ا ل ا خ ر ي ن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته س ب ا قال أيها ا ل س ب م ا تيرودياتي باي ب ل ه و ا ل ه س و ه و ع ا ع ل ى ديتئن ديتئن بوسطا تئن คนที่กลัวจะเป็นจะมีลักษณะเหมือนพวกมุนาฟิกีนในพฤติกรรมของพวกมุนาฟิกีนฉะนั้นสภานามที่เลาสุภาโนวดาเราใช้ในการเตือนบุคคลที่สามนี่คือสภานามที่พระองค์เนี่ยกำลังพูดกับท่านนบีสุลต่านละวะอัลเลาะห์ซึ่งเจ้าเวลาตัวจิบกะเจ้าอย่าให้สับสมบัติของพวกเขาลูกๆและหลานของพวกเขานี่เป็นที่พึงพอใจสาหรับเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่กุรอ่านได้พูดอยู่ตลอดนะครับว่าอัลลอฮ์เตือนผู้ศรัทธาในสิ่งที่เป็นข้อเตือน ส, สําหรับผู้ปฏิเสธิศรัทธาไม่ไดีหมายรวมว่า ر, ق, รเราจะพูดถึงกาเฟต์พูดถึงมุนาเปกแสดงว่าผู้สรัาไม่เกี่ยวแล้วคนที่อ่านกุรอ่านด้วยความเข้าใจหรือด้วยด้วยบริบทนี้จะไม่ได้ข้อเตือนจะไม่ได้อุทาหรณ์จากคุรอ่านเลย พอพูดถึงกาเฟรู้หพูดถึงกาเฟ่เกี่ยวกับเราสัทีบางทีเนี่ยก็เจอนะเวลาคนที่ถูกเตือนเฮ้ยยืดยืดหุ้นสมัยนบีเนี่กาเฟนเขาทาอย่างนี้ลลงดวยอุ้ยนี่ล่นึกว่ากาเฟนี่มีเกี่ยวอะไร้าถึงขนาดที่บางคนเองมองว่าเราเนี่ยเป็นกาเฟ่เหรอคือเอาข้อเตือนที่เราเตือนกาเฟน่ยมาเตือนเขานี่เฮ้ยเอาของกาเฟนี่มาเตือนฉันได้ไงเองมองว่าฉันเป็นกาเฟ่เหรอแบบนี้ กุฎานไม่ต้องใช้เลยนะนี่จบกันเลยจะอกกุานเอย่างที่บอกกับพี่น้องพูดอยู่เสมอนี่เป็นคาพูดของเชกรดวีกว่ากุานี้ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์พิิธภัณฑ์นี่เข้าเข้าไปทใอ้ไรทำโอ้สวยโอ้สุดยอดโอ้แฟนสติกนจบได้แค่นี้ถ่ายรูปที่จริงแม้กระทั่งในการชม วตโบราณนะนะคุรานก็มีมีวัฒนธรรมนะอัลลอฮ์บอกเอาล่ะสิ่งรู้ในโลกไปดิไปที่ไหนนี่ก็ไปดูดิบุคคลที่อัลลอฮ์สุภาพจะให้เขาหายนะเนี่ยให้พวกเจ้านี่ไปดูแลดูเขาหายานะเพราะอะไรนี่คือถ้าเราได้บางคนจะถามว่าเฮ้ยแล้วเข้าพิพิธภัณฑ์ได้อะแต่เข้าพิพิธภัณฑ์นี่มีจตนาแบบนี้ เขาพิพธภัณฑ์เขาแสดงความยิ่งใหญ่ของคนโบราณคนเก่าแก่ไปดูดิคนเก่าแก่เนี่ยเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วเขาไปอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยแล้วของยิ่งใหญ่ที่เขาทิ้งไว้เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างสำหรับคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไปอยู่ในนู่อยู่ในโลกอาเครอบไปแล้วมันจะถ้าเราได้อุต ahn แบบนี้นี่นี่คือการการเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ ที่อาจจะมีข้ออนุโลมได้หรือบางคนถามว่าไปสถานโบราณต่างๆนี่ไปไปชมไปดูก็ต้องมีต้องมีพระประสงค์แบบนี้ไม่ใช่ไปดูจะได้ถ่ายรูปหาวิวหาหาฉากจะได้ถ่ายรูปสวยๆเนี่ยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ช่วยตัวประสงค์ของผู้ศึกาอุรอ่านก็เช่นเดียกวกันไม่ได้มีอ่านน้อยเพื่อแสวงบราริกะเพื่อให้ฟังเสียงไพเราะของนักกรี แต่กุฎอ่านจะต้องมีอุทสาหนและสุรตะว่านี่เป็นอุทสาหนที่รุนแรงสําหรับรุนแรงนี่หมายถึงว่าสามารถสร้างความสะเทือนสะเทือนใจสําหรับคนที่จริงจังในการในการไตรตรองในการพินิจพิจารณาตัวอายะต่างๆในกุฎนเพราะ อุทาหอนที่อลัลลอได้กล่าวว่าในในอัลกุรอานเกี่ยวกับมุนาฟิกินมันต้องกระทบกระทบหัวใจของของคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ระวังตัวใช้ชีวิตแบบไม่ระวังตัวมันก็มีโอกาสมีความเสี่ยงสูงที่จะมีพฤติกรรมหรือมีนิสัยของพวกมุนาฟิกินแล้วคนที่มีความเสี่ยงมากในยุคนี้นี่ก็คือพวกเราพวกเรา และผมพูดถึงพวกเราหมายถึมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยอะนะมีความเสี่ยงสูงที่จะมีพฤติกรรมของมุนห์ถ้าทำไมอะเพราะเราเพราะเราอยู่ในสังคมเนี่ยมีมีสองประเภทประเภทที่ไม่เอาคุณธรรมเลยไม่เอาศาสนาเลยนี่คือหลุดโลกไปเลยเนี่ยเอาเอาแต่เรื่องอารมณ์ไฟตามอย่างเดียวแล้วก็มีกลุ่มที่เขาเคร่งคัดเรื่องศาสนาเรื่องบางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่ระหว่างสองกลุ่มนี้แต่การที่เราจะต้องเลือก หล่อหลอมวิถีชีวิตของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับหลักการเนี่ยมันจะต้องตรงไปตรงมาในการยึดบรรทัดฐานยึดบรรทัดฐานอันคุรานโดยเฉพาะถ้าหกว่าเป็นเรื่องของมุนาฟิกีนเนี่ยกระบอกสุรพบกอายะเกี่ยวกับมุนาฟิกีนเนี่ยต้องต้องตรงไปตรงมาการที่จะชื่นชมตัวเองหรือพยายามลอยตัวลอยตัวว่าฮัมโห อายะนี้ม่เกี่กวกับฉันเรื่องนี้ไมฉันคงคงไม่ใช่คงไม่ใช่ฉันมึงคงไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้เราจะต้องอยู่ในสภาพที่หลวมตัวกับคําสั่งสอนที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะวะแล้เพราะฉะนั้นอายะถัดมานีสุรเสตะวันเป็นสิบหกอัลลอฮฺได้พูดถึงพวกมุนาฟิกีนเมื่อได้รับคําบัญชาอัลลอฮฺสุบฮานะะเขาจะมีลักษณะเรื่องนี้หลวมตัว ลอยตัวหมายถึงว่าความจริงจังในการน้อมรับคำสั่งของอลัลลอฮฺเรละสูเหมือนใครรู้ไมเหมือนเหมือนคนป่วยไปหาหมอแล้วหมอจุดยาคนที่จริงจังอยากจะหายป่วยเนี่ยเขาจะรับข้อแนะนำของหมอแล้วก็ไปตรวจยาของหมอนี่ ด้วยความพิธีพิถันด้วยความตั้งใจในการที่จะรักษาตัวตามที่หมอได้แนะนำแต่คนที่โอ้ยหมอนี่องเวอร์มไม่ถึงขนาดนั้นรับยามากินบางไม่กินบางแน่นอนที่ที่เขาไปหาหมอนี่ตั้งแต่แรกเลยไปหาอาจะาทำาำตามหน้าที่หรือ ท, ทเรียกร้องของลูกหลานไป หมอแต่ตัวเขาในใจใจเขาเนี่ยจะไม่ยังไม่เห็นคุณค่าที่จะต้องไปรักษากับหมอคนนี้มีแล้วก็มีนะคนคนบางคนเนี่ยก็คือจะต้องเห็นความตายด้วยตาตัวเองจะได้ไปหาหมอแต่ด่าก็ยังไม่มีอาการอะไรเนี่ยยังไม่ลมยังไม่ยังไม่ปวดนู่นปวดนี่เนี่ยก็ ถามว่าเป็นโรคอะไรป่ะเปลารู้ยังไงก็ไม่มีอะไรยังไม่ได้ไปตรวจยังไม่ได้แน่แน่นอนยังไม่ไปตรวจแล้วจะรู้ยังไงว่าตัวเองเนี่ป่วยนู่นป่วยนี่คนก่อนจะตายเนี่ยก็คงยังยงอยู่ในความสงสัยจริงเหอสวรรค์นรกเน่ยจริงเหรอเราเราก็เรียนมาเรียนมากันนะี้ยเขาว่ากันอย่างนั้นน่ะที่สวรรค์มีนรกมีวันเกียร์มากเนี่ยไอ้คนประเภทนี้เนี่ยต้องตายก่อนถึงจะเชื่อ แล้วก็ชีวิตของเขานี่ใช้แบบสเปสปะไม่ระวังตัวหลวมตัวแบบนี้เนี่ยก็นิ่งจากว่าไม่จริงใจนี่มุนาฟิกินเป็นแบบนี้ إ ذ ان ا أنزلت سورة ان ان أ ا ل ل ه ه เมื่อมีสุรหนึ่งสุรดเมื่อมีสุรหนึ่งว่าสุรนีก็หมายถึงว่าองค์การของ ไม่จะเป็นต้องเป็นหมวดอายะ์ที่เป็นสูร ห, หรือจะเป็นกลุ่มอายะฮ์หรือจะเป็นอายะ์เดียวก็ตามหมายรวมว่าบัญชาของลอสุภาเนะวะดาแหละเมื่อมาอยัางพวกเขาแล้วถูกประทานลงมาอย่างพวกเขาแล้วแล้วก็บัญชานี้มีคำกำชับว่าพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮฺเถอะอันอามินูบิลเลห์จงศรัทธาต่ออัลลอฮฺเถิด วจัยดูมาข رس ู له ละจงต่อสู้ด้วยทรัพย์สมบัติและชีวิตร่วมกับรสลของพระองค์มันมีสองคำสั่งคำสั่งให้ศรัทธาและคำสั่งให้ جهاد ศรัทธานิมนเกี่ยวกับหัวใจญิ ه า د นิมนเกี่ยวกับอายวะอวัยวะและทรัพย์สมบัติและชีวิตซึ่ง Allah ได้สรุปสรุปการวิสูจต์อิมานในสงอย่างศรัทธาและการปฏิบัติ ศรัทธาเนี่ยศรัทธาในอัลลอฮฺเถอะสองจิฮัดอันนี้เป็นตัวพิสูจน์ตัวพิสูจน์ว่าเราเราเป็นผู้ศรัทธาจริงหรือไม่จริงและนี่คือสิ่งที่มุนาฟิกีเนี่ยจะไม่ยอมเอามาพิสูจน์ตัวเองเลยเขาเอาตัวพิสูจน์ที่เขาพึงพอใจทําในสิ่งที่เขาทําได้ที่มันง่ายที่มันสะดวกเอาสิ่งที่ทาแล้วก็ไม่ได้ร้อน แต่ส่วนคำสั่งที่ที่ทำยากปฏิบัติยากหรือทำแล้วจะต้องเสียสละจะต้องจะต้องมีความเสียหายอันนี้ก็จะไม่ทำและด้วยเหตุนี้นะครับอุลามาจึงบอกว่าศรัทธาด้วยหัวใจอย่างเดียวไม่เพียงพอในการพิสูจน์ความศรัทธาโดยรวมของของมุมิมผู้ศธา กว่าทนสัตย์ัทธาทุกอย่างสัตย์ในกุณอ่านทั้งหมดคุลามาได้สมมติฐาน่าถ้ามีมุสลิมสัตย์ในทุกเรื่องของอิสลามทุกเรื่องเลยนะสัตย์เชื่อร้อยเปเลยนะแต่ไม่ทาสักเรื่องใช้ชีวิตทั้งชีวิตนะสัตทั้หมดเลยนะร้ออรนตะคุณอานว่าอย่างไงหาดีอย่างไรถามเขาเชื่อไหมเชื่ออิมาอิมาแน่นอนร้อยอยอมรับแน่นอน ว่เป็นคำสั่งมาจากอัลลอ์มาจากประชุดทำสักเรื่องหนึ่งไหมไม่ทำถึงขั้นอุไรบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ทำสักเรื่องนะบางเรื่องอาจจะทำาส ม, มุติว่ามีมุสลิมคนหนึ่งทั้งชีวิตเนี่ยศรัทธาทุกเรื่องนะเขาถูกถาปฏิบัติอะไรมากอะไรบ้างนี่ในคำสั่งสอนที่อัลลอ์เนี่ย ฉันได้ปฏิบัติคําสั่งของท่านนาบีห้ามกินด้วยมือซ้ายและเรื่องอื่นแล้วละมาแล้วไม่ละมาเธซื้อแลม่เธซื้สสสอสกา น, น่าไม่สกานูนี่ไม่ทำทำเรื่องนี้เรื่องเดียวหรือทําเรื่องเรื่องนี้ยเรื่องปีกย่อยเนี้ยที่มันง่ายๆอ่ะที่มันไม่ต้องไม่ต้องเปลืองตัวไม่ต้องเสียหายทําเรื่องง่ายๆแต่เรื่องใหญ่ๆอ่ะเรื่องที่มันพิสูจน์ว่าเชื่อจริง และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อบัญชาของเราจริงไง น, นะละมาดอย่างงี้สกาไม่ทําเลยเอลุลามาบอกว่าคนแบบนี้ไม่น่าจะเป็นมุสลิมถึงแม้มว่าทําเรื่องบา ง, งเรื่องในคําสั่งของอัลลอฮฺรรย์และอลัลลอฮ์ได้เอาตัวนี้มาที่สูดน์ความเป็นมุนาฟิกไม่ไม่เป็นมุนาฟิกเนะี่ยพราะนี่ที่สุดแลว้วของการเสียสละนั่นก็คือจิฮัด มอมีสุรามีอ้ายตุปดารลงมาจรัลลอัน آ มินุบิลลาอิฮัยสัตาะะอัลลอฮฺว่จาหิโดมะอฺรซูลีละจ ihad กับรุูลอัลลอมันรีบตื่นริงละมาดริงอะไรพรามุนาวิกินก็มีในที่ละมาดกับนบีที่จะกาตให้นบีก็มีแต่จิ h a d นี่จะต้องเป็นตัวพิสูจน์ในการเสียสละสูงสุดและจะเป็นตัวพิสูจน์ ตลอดการหมายถึงเงยเกียมัตเรื่องจิหาดแม้กระทั่งกับคนดีอยากจะจิหาดแต่ไม่สามารถจิหาดได้ก็ยังจะเป็นตัวพิสูจน์ถึงความเป็นผู้ศรัทธาและความไม่เป็นมุนาฟิกตามที่ฮะดิษจะนำเสนอภายหลัง เราตกลงกันแล้วอะอายะที่อัลลอฮ์พูดถึงมุนาฟิกีเนี่ยเราอย่าถือว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับตัวเราไม่ดิมันต้องเกี่ยวกับตัวเราเช่นอายะนี้อัลลอ์พูดถึงมุนาฟิกีไอ้พวกมุนาฟิกีน่ะถ้ามีสุราถูกประดานลงมาให้สัตว์ทั้อัลลอห์เจ้ากับอัลรอานเนี่ยอิศะดะนกอุลตโตลิมินุมมินุมผู้ที่มั่งคั่งมีที่มีความสามารถมีมีมีักสมบัติ ผู้ที่มั่งคั่งในหมู่พวกเขาพวกเขาบอกมูนาเวพวกเขานะไม่ใช่พวกเราน่ะพวกเขาแล้วนะก็ขออนุญาตต่อเจ้าว่ก้าลูเลกล่าวว่าดั่นานกุมม่าลกาอิดินจงปล่อยพวกเรานบีปล่อยพวกเราไว้เถิดปล่อยให้เราเนี่ยนั่งอยู่ที่มดีนะไม่จงไปจีฮัดพวกเราจะได้อยู่กับบรรดาผู้ที่นั่งอยู่กันนั่งเกาอ้ดีเนี่ยผู้ที่นั่งอยู่มดีนะไม่ได้ออกไปญีฮัด ป่อให้เราอยู่ทีนน่นี่เถอะไม่ต้องให้เราไปจิฮัตเถอะโอ้ท่านนะีอันนี้เขาเปล่งวาจาออกมาเลยเนี่ยวันถูกเรียกแล้วเรียกแล้วเนี่ยให้ออกมาจิฮาตนะเขาพูดเลยด้วยวาจาแล้วมาอย่าอย่าให้เราออกไปเลยแสดงว่าเรื่องแรกที่จะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยไม่ใช่มุนาฟิกีนน่ะนะไอ้คาเนี่ยออกไม่ได้ไอ้คาที่มุนาฟิกินบอกป่อให้เรานั่งอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปจิฮัต พูดแนีีมุสลิมคนไหพูดแบบนี้เนี่ยนี่เสียงเลยเสียงเลยถ้าหากว่ามีสถานการณ์ที่ต้องจิ h า d นะแล้วพูดเป็นอย่ี้ไม่ได้พูดไม่ได้และแล้วถ้าหากว่ามีสถานการณ์จิ h า d และเรามีความสามารถที่เราก็ต้องออกแต่กรณีที่ไม่มีความสามารถที่จะออกไป j ิ h า d อันเนี้ยตัวพิสูจน์เนี่ยตัวพิสูจน์แม้ว่าเราจะมีข้ออ้างแต่ในโลกดุนยานี้เนี่ยมันอาจจะไม่รอดเพราะมีหลายคนที่ไม่ได้ออกไปย่าที่เป็นมูนาฟิกิตและก็มาอ้างข้ออ้างกับท่านนาบีตามที่เดี๋ยวจะมีอายะพูดถึงเรื่องนี้มาอ้างข้ออ้างเอาอุปโลงข้ออ้างขึ้นมานาบีก็กลารับข้ออ้างแต่ไม่ได้ไม่ได้ยืนยันว่าจะให้อภัยในความผิดของเขา เขาก็มีข้ออ้างในโลกดุนยานี่เนี่ยให้คนไม่ต้องปนาไม่ต้องประจานนะก็มันก็ผ่านไปได้แต่วันเกียมละเจตนาอันมีความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยที่จะเป็นตัวพิสูจน์ที่จะเป็นตัวแปรในมัตดิคมะมุสลิมเดนนบีซัลลัลลอฮุอะลัยวะัลลัมใ้บอกว่ามตเวลัมยักซลัมย ز มาตะ ف พรดิสนีสอดคล้องกับอียานี้เลยผู้ใดที่เสียชีวิตแล้วมาตะเสียชีวิตแล้ว ว, ว, ว่ล้มีการรุ่นรุนหรือไมาแล้วไม่ไาแวไม่ได้ j i h าม่ได้ jihad ว่าแล้วไม่ได้ม่ได้ jihad ว่าวม้าล้วไม่ไว่าแล้วไม่ได้ j i ้มีหนึว่าในสองม่ไ้่้วไม่ไ่ล้มาไดา้วงมาดลมไาด สองจะไม่มีความสามารถนี่ก็ต้องมีความตั้งใจที่จะแยกถ้าไม่มีหนึ่งในสองเนี่ยคือไม่มีทั้งสองนะคือต้องมีอันหนึ่งที่ดีที่สุดในมีทั้งสองไงตลอดเวลานี่ตั้งใจแยกพอถึงเวลาที่ต้องแยกเออแยกแต่ ถ, ถ้าหากว่ถึงเวลาเแยกแต่แยกไม่ได้ก็ต้องมีตัวนี้ก็คือความตั้งใจที่จะแยกแต่ไม่มีทั้งสองเลยอนะจะไปแหวงไง ถ้าเสียชีวิตในขณะนั้นน่ะขณะที่ไม่ได้มีทั้งสองอย่างเนี่ยนะเสียชีวิตในข้อหนึ่งของความเป็นมุนาฟิกชับ่ข้อหนึ่งของความเป็นมุนาฟิกความตั้งใจนี่คำสับที่ท่านนบีใช่เนี่ยอยู่ฮัดดิษนับเสหูถ้าแปลตามคําทับศัพท์เนี่ยอยู่ฮัดดิษพูดคุยนับเสหูพูดคุยกับน a f ูตัวเองบิลจีฮัด อันนี้เป็นคำศัพท์เฉพาะนะในภาษาอับนี่เป็นสำนวนสำนวนที่ใช้ใช้กับสิ่งที่หรืออารมณ์ที่มันเกิดก่อนลงมือปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัตินี่ทำอะไรตั้งใจคือคุยเนี่ย ดูฉันออกจากที่นี่เดูต้องไปนั่งรถแท็กซี่เอาเทียวดูไม่มีกี่บาทเงินวา ง, ง, งแผนแล้วก็ตั้งใจละอันนี้คือแผนของของเราเนี่ออกจากที่นี่จะไปทาําอะไรตั้งใจนล้วไแต่พอลงไปอ๋อมีบางเขามีมอเตอร์ไซค์เดยกเขาจะไปส่งอาจจบละแต่สิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราทําอันนั้นแน่นอนมันเกิดแน่นอนนะครับเรียกว่า hadithun n a f เราตั้งใจที่จะไป jihad ถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆนี่นะ jihad นี่มันเกิดขึ้นแน่นอนอุปสรรคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้การกระทําเกิดขึ้นและในเรื่องนี้ในเหตุการณ์ของสงครามตาบูกที่สูลตานอัลบาตุบประทานออกมาท่านนาบีก็เคยพูดนอันดะิสบันทึกบุคคลใมุสลิมนบีกำลังเดินทางไปสงครามตะบูกนี่แล้วก็ขราวานกองทัพนี่ยก็พักสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไกลจากมาดีนั่นแหละไกลละก็ เ, เห็นสาบา้านตั้งวงกันคุยกันก็พูดถึงสาบ้านก็นั่งพูดถึงคนนั้นที่ไม่มาคนนั้นที่นะมีความบังคังแล้วไม่มาวิคือพูดถึงหลายคนไงและแน่นอนจะมีบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ออกมาญาติกับท่านนาบีสบุลต่านเลยเหมือนกันท่านนาบีก็เลยบอกว่าเหมือนท่านนา บ, บอกว่าให้ให้เว้นวักบางกลุ่ม นับว่าอินในในเมืองอีกอวามอินน์ในเมีองอีกอวามนในมือนั้นไม่คุมบังคุมเนี่ยมา نزل นาวัดยเนอิลาชรรุุมอัจริ่ราอมารมาพำนักอยู่สถานที่หนึ่งสถานที่ใดเนเว้นแต่พวกเขานี่มีหุ้นส่วนในผลลบุญของเราที่เรากำลังไปเจราากันเนี่ยหมายถึงว่าเขาไม่ได้ออกมา ยี่ห้กับเรานะแต่เปรียบเสมือนเขาได้สมัครเป็นสมาชิกและอยู่กับเราอย่างเป็นรูปธรรมเหมือนเขาอยู่กับเราตรงนี้อานาบีทิ้งทายบอกว่าฮาบะเซมุลอูซรสิ่งที่ปิดกั้นไม่ให้เข้ามาอยู่กับเราที่นี่เนี่ยก็คืออูซุรอุปสรรคเขามีอุปสรรคอุปสรรคทําให้ ผู้สัทธาสามารถได้ผลบุญในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำนะแต่ตั้งใจทำมันก็คล้ายคลยะดีษอีกบทหนึง่งมันท้กบุคคลีเหมือนกันท่านในมิโซลลอสลัมความหมายของอะดีษนี่หมายถึงว่าผู้ใดที่เคยที่เคยทำความดีอย่างต่อเนื่องทำเป็นนิจศิลแล้วออลเราตรวจสอบให้เขาป่วยช่วงที่เขาป่วยเนี่ย ช่วงนี้ก็ป่ว ย, ยทุกสิ่งที่เขาเคยทำเป็นนิจสินอันเป็นความดีเนี้ยอัลลอ์จะจารึกจะบันทึกเสมือนเขากำลังทำอยู่ขณะป่วยเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำแต่ในตาช่งของอัลลอฮ์เนี่ยแล้ววันเกียร์มานี่นะก็จะรู้ในวันนีการกระทำตอนป่วยการกระทำตอนมีอุปสรรคหรือเหมือนซาบะที่ไม่ได้ออกไปเยี่นกับท่านนบีการเยี่ย ที่ไม่ไดีออกไปอันนี้คือมาตรฐานของเราสุภาณวุฒิแต่มาตรฐานนี้มันจะต้องสอดคล้องกับความสมบูรณ์ของการงานการงานตรงนี้มันไม่ได้ลงมือปฏิบัตนะิแต่การงานที่มันสมบูรณ์ตรงนี้ก็คือเจตนาเจตนามันต้องเข้มข้นเพียงพอก็หมายถึงว่าตั้งใจมันต้องตั้งใจแบบเข้มข้น่ะ เดี๋ยวจะมีเรื่องของสามคนที่เขาไม่ได้ออกไปญาติแล้วเขาสำนึกว่ามันเป็นเรื่องบาปแล้วก็ท่านนาบีก็ลงโทษให้สังคมมดีนาบอยคอดเขาแล้วเราจะบอกถึงการเตาบัด ต, ตัวการที่เข้าเตาบัดและอัลลอฮ์ได้รับเก่าบ้าของคนแล้วก็ให้อภัยโทษกับเขาเขาได้ผ่านอะไรมา ถึงจะได้รับอภัยโทษจากอัลลอสุบฮานาอูตะลได้มีความรู้สึกในการกลับเนื้อกลับตัวในการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่ขนาดไหนอันนี้ถึงคนสัฮาบะที่ได้ทำจินาแล้วก็ถูกลงโทษโด้วยการคว้างด้วยหินแล้วก็มีสัฮาบะที่ขนาดกำลังลงโทษนี่ก็ด่าประนามหรือสับแช่ง คนนี้กำลังถูกลงโทษ ท, ที่ทำซีนาแล้วก็ถูกลงโทษ ด, ด้วยการประหารชีวิตในะปาชุดด้วยการคว้างด้วยหินเพราะเขมีครอบครัวและนี่ว่ามีภรรยาแล้วคนนั้นก็มีสามีลและแล้วมีก็าบอกว่าอ ย, ย, ย่าอย่าไปแสบแช่งเขาชายาเขาาาา้านี่ละกมมีดีแล้วก็เต้าบเต้บัตเธอนีได้เตาบัตชนิดชนิดเตาบัตของเธอนีนะ ละวุยาลาสเปรน่ะมิอรลมดีนะที่ลกิดผิดถูกถ้าเอาชนิดเ ต, ต้ตบัดที่เขเต้บัดแล้วเนี่ยไปแจกกับคนที่ทำบาปเหมือนเธอเนี่ยเจ็สิบคนในมดีน่ะเนี่ยเต้บัตเนี่ยของเธอเนี่ยมันจะเพียงพอสําหรับเจ็สิบคนด้วยผมบอกว่าผ ม, ผมนั่งคิดนะแล้วก็ยังยังนึกไม่ออกว่าเธอเนี่ยทำอะไรถึงถึงนบีจะรับรอง ว, าว่าเต้บัดของเธอเนี่มันเข้มขน้นะ เรานี่เ <mister> ต <ius> ้าบาตดวงทีเต wow, okay. ah ้าบาดตัวแล้วเต้าบาดตัวอีกไม่รู้นี่ว่าในดุนยานี้เราจะรอดหรือเปล่าไปดูงไม่รู้ว่าเต้าบาดนี่มันจะเพียงพอสําหรับตัวเราหรือเปล่าแต่นี่เราบอกว่าเธอนี่เต้าบาดตัวสําหรับเธอเนี่ไม่ต้องแต่มันจะล้นน่ะล้นล้นให้อีกเจ็สิบคนเนี่ยรับอภัยโทษไปด้วยถ้ามีแต่นบีได้เฉลยให้เราแบบว่าพอจะนึกภาพเนี่ยฮะร้ายทุม أفضل มินอันจัดด บิรูฮีแห่ฟิลิพวกเจ้าจะจะพบว่ามันมีอะไรเลิศ ก, กว่าการที่เธอเนี่ยคือเธอมาสารภาพกับน บ, บีว่าดามซินาคือเรื่องราวของผู้หญิงํามซินาคนนี้เนี่ยซินาเธอมีสามีแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปซินาเขาไปซินาแล้วเนี่ยท่านน บ, บีก็เลยก็จะเป็นหน้าที่ของพวกครองนี่คือให้คนที่ สารภาพเรื่องบาปใหญ่อันมีโทษที่รุนแรงที่อาจจะถึงชีวิตเนี่ยหน้าที่ของผู้ครองเนี่ยที่จะบอกบอกให้เขาอาจจะมีทางรอดทางออกให้เขาหลุดจากการลงโทษเขาถามท่านนบีถามทั้งผู้หญิงและกัผู้ชายเธออาจจะไม่แค่จูบกันหรือเปล่าอาจจะแค่นี่กันหรือเปล่า สุดท้ายนี <und> ่สารภาพารทั้งผู้หญิงและผู้ชายว่าเขาซีนาคือซีนาเต็มรูปแบบผู้ชายเนี่ยนบีก็สั่งลงโทษเนี่ยพอชัดว่าซีนาก็สั่งลงโทษแต่ผู้หญิงอะนบีไม่ลงโทษบอกว่านบีบอกว่าที่เตอร์ตั้งคันตั้งคันเนี่ยก็ไปไปตั้งคันซะก่อนขณะที่ตั้งคันเนี่ยมันไม่มีระเบียบนะว่าตั้งคันแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปลากคอมาให้ตั้งคันมานี่มาลงโทษไม่มีระเบียบนะ คือตั้งไปตั้งคันแล้วเนี่ยเธอเอเนี่ยเงียบไปเนี่ยนะนะทางการก็ต้องเงียบไปนี่นออกมาไม่แกตั้งคันแล้วคลอดแล้วเนี่ยกรอุมลูกมาท่านนาีแสดงว่าเธอตั้งใจที่อยากจะได้รับโทษจะได้ชําระตัวเองผ่านไปแล้วกี่เดือนเก้า <9 S 2> เดือนแล้วไงเก้าเดือ น, นหนีได้แล้วนะไปไหน ก, ก็มีใครจะไม่มีใครจะตามด้วยแต่นี่เก้าเดือนนี่ก็ยังมาท่านนาี นพีบอกวลูกเธอยังเล็กอยู่จะมาลงโทษอะไรตอนนี้นะลูกจะไปหากินนมที่ไหนล่ะเธอไปให้ลูกกินนมให้ย่านมไปสเสก่อนอีกกี่รวมทั้งหมดนี้ก็เกือบสมเกือบสามปีหนีไหม ถ, ถ, ถ้าเธอนหนีเนี่ยก็ไม่มีใครจะไปตามเหมือนกันอุ้มลูกบางเรงานบอกว่าอุ้มลูกนี่มีนมปังอยู่ นมปังอยู่ในมือและะ้วแสดงว่าอย่านมและกินกินกินอาหารอย่างอื่นนี่แหละและทุกครั้งที่มาหาท่านนาบีนี่บอกบท่านบอกว่าต่ฮหิรณีต่อิรณีชำระฉันเถอดชำระแลนบีจึงทิ้งท้ายทีทททท่บอกซาบเอาเยียเหยียบไปสาบแช่งเขาจะมีอะไรเลิศ ก, กว่าที่เธอเนี่ยได้อุทิศชีวิตของเธอเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺ อุลามะจึงบอกว่าบาปแต่ละบาปนี่มันต้องมีเตาบัตรที่มีความเข้มข้นที่สอดคล้องกับมันเช่นคนจีนาแล้วก็อยากจะเตาบัตรตัวอย่างเงี้ยการเตาบัตตัวจากจิน่านี่มันจะง่ายเหมือนเหมือนคนสูบบุหรี่ไปมวนหนึ่งแล้วก็เตบัตรตัวมันคงไม่เหมือนกันนะอุลลามะบางท่านบอกว่าดูสิว่าความสุขที่ได้มาจากจิน่านั่นนะ มีขนาดไหนนะและต้องมีความเจ็บปวดเจ็บแสบจากการที่เ่า บ, บัดตัวนี่นะความเสียใจเนี่ยที่ต้องมีความเจ็บปวดนะเท่ากับความสุขที่ได้มาจากการทำศีนาถึงจะบาลานซ์กันนะถึงจะเม็กเชนถึงจะเอออันนี้มันสามารถล้างได้แต่ถ้ามีความสุขแบบดิบๆเลยนะแบบเต็มที่เลยนะแล้วก็มาเอาบัดตัวแบบ แบบเย็ น, ยนแบบสบา ย, บายมันจะไปลบล้างกันได้ไงนี่ก็เหมือนกันความเป็นมุนาฟิกที่ทำให้ลอยตัวจากคาสั่งสอนต่างๆคนที่จะเตาบัดตัวจากความเป็นมุนาฟิกเนี่ยเนว่างว่าสหาบาตละคนนี่พอพูดถึงคนที่ สมัยท่านนบีสุลต่านเซลัมก็พบประเภทนี้นี่สองประเภทนะคือคนที่รับอิสลามแล้วเนี่ยแล้วก็ออกจากศาสนาอิสลามนะแล้วก็คนที่เป็นมูนาฟิกชัดๆเนี่ยและคนที่ออกจากศาสนาเลยเนี่ยแล้วเขาขอกลับศาสนาและมูนาฟิกที่เป็นมูนาฟิกชัดๆเนี่ยแล้วเขาขอเตาบัดตัวกับท่านนบีสฮฮาบะเนี่ยเขาจะพิสูจน์ การกลับเนื้อกลับตัวของสองประเภทเนี่ยด้วยคํำในในในหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะมีเรื่องเนี้ยบุคคลที่มีประวัติออกจากศาสนาและกลับมาอีกนะแล้วก็บุคคลที่เป็นมุนาหิกและอยากจะเตบัตรตัวเนี่ยเขาจะใช้คําว่าฟาด้าบะ واس เลมะและฮาซูน่อิสลามุเขากับเนืีอยนับตัวท้าบะคเนั้นับตัววาสลมะแล้วก็มารับอิสลามใหม่เนี่ยแต่ต้องมีทิ้งท้ายฮาซูน่อิสลามุ คนที่รับอิสลามใหม่เลยเนี่ยไม่เคยเป็นมุนาฟิกไม่เคยเป็นมุสลิมมาก่อนนะมารับอิสลามใหม่ๆนี่นะแล้ก็อิสลามอะรับอิสลามจบนะจะไม่มีคำท้ายเนี่ยตรงเนี้ยฮาซูนอิสลามอฮุแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าการรับอิสลามของเขาเนี่ยดีงามเรียบร้อยหมายถึงว่าสองคนประเภทนี้เนี่ยถ้าจะมารับอิสลามใหม่นี่นะต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบตรวจสอบแล้วเนี่ยต้องต้องดู ไอเหมือนเดิมเปล่าที่เขารับอิส ล, มลามแล้วงนาะแต่คุยๆยยงั้นนะเปล่าต้องตรวจสอบว่าการรับอิสลามคราวนี้นี่นะมีความจริงใจกดูที่สามรตก่อนนนะู้นเน่ยเขาถือว่าอะไรที่มันเป็นขอ้อแตกต่างระหว่างระหว่างผู้ศรัทธากับพวกมุนาฟิกีนเนี่ยมีหลายเรื่องในในศาสนาอิสลามนะครับอย่างเช่นเรื่องการละหมาดสุบฮีกัรละหมาดฟาจาร์เนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ เรื่องเรื่องเรื่องความเลื่อมใสความเลื่อมใสในหลักการศาสนาซึ่งคนที่จะรู้เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเป็นคนใกล้ตัวคนที่สนิทสนมกับเขาจะได้รู้เออมันมีคําที่หลุดไหมคนวงในเนี่ยเวลานั่งวงน้ําชากาแฟกันมีอะไรหลุดไหมว่าตะกอุน้มุนาฟิกีเนี่ยเขาจะนั่งวงน้ําชากาแฟแล้วก็นินทานบีนินทาซอฮบะนินทากุลอัลเนมะ ใ น, นคนนั่งวงในกับเขาเนี่ยเขาจะมีเขาจะได้ยินคําที่มันหลุดไปแบบนี้เหมือนแต่ก่อนไหมถ้าไม่มีแล้วเนี่ยอาเขาก็จะให้ฉายาเนี่ยว่าฮัสซุนอิสลามตรวจสอบแล้วอิสลามของเขาเนี่ยได้ร้อยใช้ได้ทีนี้ <c oughs> ช่วงนี้เราไม่ดีอยู่เราไม่ดีอยู่ในสังคมที่ที่มีรัฐอิสลามที่มีสมาชิกผู้ศรัทธาคอยที่จะดูแลคนอื่น แล้วคอยที่จะพิสูจน์ความเหมือนในยุคของท่านนาบีุลต่ที่จริงยุคของท่านนาบีเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการต่อสู้กับศัตรูอย่างต่อเนื่องจะให้มีการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมสมาชิกในในหมู่คณะนี่ไม่ได้เผอไม่ได้เลยภาวะสงครามเกือบตลอดเวลาแทบทุก สี่ห้าเดือนนี่ก็มีสงครามแหละและสิ่งที่ที่น่ากลัวมากในสงครามนี่ก็คือพวกศัตรูที่อยู่ภายในพวกไส้สึกที่น่ากลัวที่สุดฮามาสเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบยีสิบปีเนี่ยกว่าจะเคลียร์คนหนึ่งที่ติดคุกเพราะไอ้พวกไส้สึกที่อยู่ในฮามาสเนี่ยยัยเอสซีนูาร์เนี่ยต้องไปติดคุกเกือบยี่สิบกว่าปีนะ ยายาสินวาดเนี่ก็เลยเหมือนสัญญาใจกับตัวเองว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยแกจะไปไล่ล่าพวกเนี้ยยิวนี่ยสามารถใช้พวกไส้ศึกเนี่ยระดับแกนนาในฮามาสนคนหนึ่งที่เคยเป็นเป็นหัวหน้าฝ่ายดาวะของฮามาสเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้แกนนำของฮามาสหลายคนเนี่ยถูกสังหารเพราะข้อมูลที่มอบให้ยู่ ใช่ไม่ได้ไอ้อ า, าสนวาริกันเลยออกมาภารการิจแรกเลยก่อนที่จะเตรียมอาวุธก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยต้องทําความสะอาดต้องความส ะ, อ, สะอาดในบ้านต้องไม่มีพวกนี่พวกพวกที่จะคอยเอาเอาการก่อสร้างไปบอกให้ศัตรูไม่ท่านจะทําอะไรเนี่ยศัตรูนี่ก็รู้อ่ะมาถล่มแล้วไม่งั้นมันไม่สําเร็จ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จคนเราจะทำอะไรเพื่อศาสนาเนี่เรื่องนี้ก็ต้องระวังอะไรบางอย่างที่มันที่มันเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยก็ได้จะเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่โตสำหรับพละเาสวรรนะซะอิกุตุบดุยบอกว่าถึงขณะที่อัลลอ์ให้นบีละสฮะบานี่พ่ายแพ้เลยนะ ในสงครามโหดเพราะไม่ละเอียดในการคัดเลือกนักรบที่จะเฝ้าเบื้องหลังของน บ, บีละสว์กก็คือนักยิงธนูที่ท่านน บ, บีสั่งให้ไปให้ไปไปเฝ้าบนภูเขาลูกหนึ่งพอกก็เห็นเฉลยเห็นรับเฉลยนี่เห็นศัตรูนี่ถอยไปและซับเฉลยโอ้ทั้งแพะทั้งแกะทั้งอู่ทั้ง สับสมบัติทั้งเงินทองนี่ทิ้งไว้คงจะเป็นแผนของศัตรูของมุชาลิกีนไงพอเขาถอยไปเนี่ลงเลยพอลงแล้วเนี่ยมุชริกินกูฟาร์มาคานี่ก็เลยไปล้อมซึ่งแม่ทัพตนนั่นก็คือค้าริย์ิมิวลอเรตจงว่าคาริย์ิมิวลอเรตเนี่ยไม่เคยแพ้ ส, สงครามแม้กระทั่งตอนที่เป็นกาเฟนกนะ็ไม่เคยแพ้สงคราม แล้วเรื่องนี้เรากระจายเรื่รองโวยใส่วนอะเลอหมรอนที่เราเคยเรียนนะนะส่วนอะเลอหมรอนพูดถึงเรื่องนี้บทเรียนของสองครามอโมททั้งสิน้นเป็นเรื่องที่มว่าเป็นปเรื่องเป็นเรื่องที่ทุกคนในมีก็คือโลภอะโลภชอบชอบดังชอบสั บ, บสมบัติมีใครไม่มีล่ะใช่ทุกคนในมีแต่สําหรับคนบางกลุ่มที่จะรับตําแหน่งบางอย่างต้องจะ ต, งต้องต้องต้องตรสอบ ไม่ใช่ว่าจะไปสู้รบนี่ดูนี่เขาเก่งยิงธนูไม่ดูแค่นี้เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่ทัพก็ทำหน้าที่แล้วนะเป็นแม่ทัพดูเรื่องกันทหารจะมาดูเขายิงธนูเก่งไหมแต่มันไม่พอมันต้องดูเรื่องอื่นถ้าแม่ทัพที่ไม่ได้มีความศรัทธาไม่ได้มีศิลธรรมอะไรเนี่ยเขเรื่องนี้อาจจะไม่อไมองเลยครับไม่มองเลยแคนที่มีโลกหรือคนขี้ขาดหัวหน้าฝ่ายเดาว่าที่ฮามาสที่ถูกใช้เป็น ไส้สิดเป็นเป็นผู้สอดแนมเนี่มาหมัดแต่หารยูนี่จับกลุ่มแล้วก็คู่ว่าจะทรมานอย่างรุนแรงกลัวเลยยังไม่ทันจะลงมือทำอะไรเลยนะบอกว่าดูผมให้ข้อมูลนะอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าทำผมอย่าทำผมอย่าทำผมกลัวคนขี้ขาดนะงานงานต่อสู้นี่ เอาคนขี้ขาดนี่มาอยู่ในแนวหน้านดิมันไม่ได้มันอันตรายแม่ทัพเนี่ยจะเป็นคนที่กลัวฉีดวัคซีนเห็นเข็มแล้วจะเป็นลมอ่ะนอันนี้เป็นแม่ทัพไม่ได้ยังไม่ทันจะเห็นเลือดแล้วเนี่ยก็เป็นลมแล้วกิจาการกิจาการการงานทั้งหลายเนี่ยที่เราทำจะเป็นของศาสนาหรือของดุนยา คุณสมบัตินี่สำหรับคนที่บริหารคนนะคุณสมบัติของทีมงานเนี่ยจะต้องรอบคอบอันลัุษมานาหัวจาร ะ, ดาะได้บอกได้บอกเรื่องเรื่องจุดอ่อนของนักรบซึ่งสุรตะลอยมรอนพูดถึงเรื่องสงครามมโหสถสงครามมหสวีดีสวีดีสามวีดีรัสกาตอนนั้นนะเรื่องมุนาฟิกยังยังไม่งอมนะยังยังไม ยังไม่เป็นประเด็นใหญ่ตอนนั้นมีเรื่องตัวตัวใบในเรื่องความโลภเรื่องอิจฉานิ่เสียเรื่องไม่พอใจเรื่องแต่พอเรื่องความเป็นมุนภากนี่มันเริ่มมันเริ่มเติบโตแล้วลก็กลายเป็นประเด็นละสุรตะบ้านในสงครามตะ บ, บุกเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นใหญ่แล้ะกลายลาเป็นประเด็นใหญ่ทําไมอัลลอฮฺบอกว่าอิสตัดะนักอูลุตโตลิมินห์ ผู้ที่มั่งคั่งในหมู่พวกเขาก็ขออนุญาตต่อเจ้าผู้ที่มั่งคั่งกัคนนี้มีความสามารถอนล้คนนี้ไม่มั่งคั่งนะ่ะคนยากจนก็เดี๋ยวจะมีอายาพูดถึงเรื่องนี้คนนี้ไม่มีความสามารถได้ฉายาว่าอัลเบกาอินผู้ร้องไห้เพราะคนนี้ไม่มีความสามารถไม่มีอะไรเลยอาวุธก็ไม่จะไปซื้อหาอาวุธก็ไม่มีขอให้ท่านนาบีไปขออาวุธจากไหนนี่ให้ ให้เขาจะได้ออกจากเกินนบีไม่มีพาหันะจะได้ขี่เนี่ยเพราะนี่อันนี้จะเดินไม่ได้เนี่ยเดินหน้าหน้าร้อนเนี่ยจากมาดินาไปตะบูกเนี่ยเป็นพันกิโลนี่ไม่ง่ายทุกคนต้องมีต้องมีพาหนะต้องมีอูดสักตัวหนึ่งม้าสักตัวหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยสองคนเนี่ยมีสักตัวหนึ่งจะได้สลับขี่กันอย่างน้อยนะอสองคนสามคนเนี่ยมีสักตัวหนึ่งจะได้สลับขี่กันแล้วถ้าไม่ชีว่าสลับขี่กันสามคน สองคนแล้วกับม้านี่ไม่พักม like <injuries> si <man confer dles> ้าก <man> ็ต้องพักเอาไหมถึงหว่าสมมติว่าเดินกันสิบกิโลคนหนึ่งขี่ม้าอีกสิบกิโลอีกคนหนึ่งขี่ม้าอีกสิบกิโลเดินกันทั้งสามนะม้าก็ต้องเดินไม่ไม่ไม่มีใครขี่มันนะเพราะม้านี่มันก็ต้องมันก็ต้องพักผ่อนด้วยมาบอกกับท่านนบีเราไม่มีอาวุธก็ไม่มีพานะก็ไม่มีขอให้ท่านหาพาชนะให้เราหน่อย แล้วไม่มีจะไม่มีเหมือนกันแต่ว่ลลาเราอายุนึกฟีดุมีน้ำดดมาอีกคับหันหลังโดยที่ดวงตาของเขาเนี่ยมีน้ําตาหลั่งไหลมากมายต่ฟีดุมีน้ำตาฮัซนันอัลเลยาจิดมายุฟิกูด้วยความเสียใจเนื่องจากว่าไม่มีสิ่งที่จะบริจาคจะได้ซัพพอร์ตในหนทางของเราสว่วนจะได้ไปทาําชีย แสดงว่าเหรเห็นใจคนที่ไม่มั่งคัง่งคนที่มีอุปสรรคฉะนั้นก็เลยไปเจาะจงกับใครอุลุ์เตวลีผู้ที่มีความมั่งคัง่งแสดงว่าหลักการศาสนานี่แฝงที่สุดนะในเรื่องคําสั่งต่างๆสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถนี่ก็ไม่เป็นไรและนี่ทุกเรื่องที่เป็นหลักแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่อ ง, องทำความเรื่องทาบุญทำอะไรทั่วไป่บ้านเรายาังมีโรงเรียนบุคคลหูหนวกหรือคนใบะเขาท่องจำกุรอา่านคนใบ้คนหูหนวกนี่เขาพูดไม่ได้น่พูดไม่ได้เนี่ยเขามีเขามีเสียงนะแต่เขาไม่รู้จะออกเสียงยังไงเพราะเขา เขาเรื่องนี้เขาไม่มีไม่มีดัต้าข้อมูลเลยเสียงจะต้องออกอยังไงลิ้นต้องทำยังไงเราก็รู้ใช่ไหมคนคนใบ้คนหัวหนวกนี่เขาอย่างเขาจะใช้ภาษารายหรือภาษานิ้วภาษามือนี่นะดูเขาตอนท่องจํากุตตานเขาต้องจําด้วยนิ้วที่จริงตามหลักการศาสนาน่ยนะคนใบน้นี่ไม่ต้องคือแต่เขาไม่ได้อ่านคุตตานเลย เขาไม่ได้อสการ์เลยทำทุกอย่างด้วยใจอ่านกุรอ่านก็ด้วยใจไ ม, ม่รู้จะอ่านยังไงจะบอกว่ไกาไปอไปฟังดิคนหัวด่ว ก, กฟังฟังไม่ได้ด้วยใจอะไรที่เขานึกได้ในใจเนี่ยนั่นนะ่ะทดแทนสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็ทาไม่ได้ทั้งสิ้นเลยแต่ที่เขาพยายามมันนะเคยเห็นคลิปนี้ไหมที่เขาท่องกุรอ่านด้วย ด้วยภาษาบายเนี่ยก็คือเขาต้องด้วยการอ่านใช่ไหมแต่เวลาเขามาทดสอบทดสอบกับอาจารย์น่ยอาจารย์ก็อาจารย์ก็อาากมองเห็นนะนะอาจารย์นี่จะต้องดูเขาเนี่ยตอนเขาอ่านกุตรอ่านด้วยนิ้วด้วยมือเนี่ยอ่านกุตรอ่านอ่านแต่ละอายะนั้นเรื่องอัศจรรย์มากเลยว่าคนที่เขามีอุปสรรคแล้วก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษเขาเลย แต่ที่เขาตั้งใจและพยายามมีอุปสรรคในอุลมาทัศนะอุลมาส่วนมากนี่ถ้าคนทั้งตาบอดแล้วก็หูหนวกนี่นะเขาบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะอัลลอฮ์ س ح ا ن ه แต่าลอนีรก็เหมือนคนไม่มีสติวันเกียมานี่เป็นชาวสวรรค์โดยอัตโนมัติตายนี่นเข้าสวรรค์อย่างเดียวเหมือนเด็กเด็กนี่ตายในข้าวสวรรค์ทำไมเว่าคนตาบอดคนหูหนวกนี่ เขาไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวสื่อสารเลยแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเรื่องสัมผัสเนี่ยมันมีวิธีสัมผัสมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งถึงกระนั้นกระดับสมมติว่าคนหูหนวกตาบอดเนี่ยหรือหูหนวกอย่างเดียวหรือตาบอดอย่างเดียวแล้วก็ไม่สามารถใช้ภาษานิ้วภาษาบรายหรือภาษาคนตาบอดเนี่ยไม่สามารถไม่มีความสามารถซึ่งเป็นไปได้เป็นไปได้ แอ้กลุ่มยากจนคนยากจนที่เขาไม่มีโอกาสเลยคนตาบอดก็ไม่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าโรงเรียนเรียนภาษาบาลีหรือหรือจะมีครูมาสอนภาษาของคนตาบอดหรือคนหูหนวกไม่ใช่เด็กทุกคนที่พิการหูพิการตานี่ที่ที่มีตังจะเข้าโรงเรียนเหล่านี้ไม่ใช่คืออยากจะบอกว่าที่อัลลอฮ์เอาโทษเฉพาะคนที่อุลุตเตลิมังก์คนที่มีความสามารถยุติธรรมที่สุดอิสลามยุติธรรมที่สุด เรามีอุปสรรคอะไรที่ทําให้ไม่สามารถสนองคําสั่งคําบัญชาองอัลลอฮฺนบีอัลลอฮล ะ, น, ะ, ละนั่นนั่นคือสิ่งที่และอัลลอฮฺจะรู้มากกว่าเรานะว่าเรามีอุปสรร <c oughs> คเรื่อเราไม่ต้องไม่ต้องไปตอแหละอะไรมากเกินไปอะ่ะอัลลอฮฺรู้เพียงว่าเรานี่จริงใจกับตัวเองว่าที่อัลลอฮฺสั่งไว้เนี่ยสามารถทําได้จริงไหมและมีคําตอบกับอัลลอฮฺเพียงพอไหมแค่นี้ก็พอแล้วอัลลอฮฺรู้ ที่สุดของเรานี่มีแค่ไหนบาปของพวกมุนาฟิกีนี่ก็คือไม่ได้ออกไปจ ihad กับท่านนะพี่อิสตานาคอุลตาวุลีขอขออนุญาตขออนุญาตต่อเจ้าและกล่าวว่าจงปล่อยพว ก, พวกเราไว้เถิดพวกเราจะได้อยู่กับบรรดาผู้ที่นั่งนั่งอยู่นั่งก อ, อดอิดีเนี่ยนั่งไม่ออกนั่งอยู่มาดีนะไม่ออกไปจิ h a d กับท่า น, นบาปก็คือการทิ้งจ ihad บาปคือการทิ้งจีฮัดแต่เราไม่ได้ย้าเรื่องนี้ไม่ได้ย้าเรื่องที่เขาเขาไม่ได้ออกไปจีฮัดนะ Allah ย้าอีกเรื่องหนึ่งรดูบีเอยคูนูมะลขาวาลฟิวะตูบะะอลากูลูบิหมฟฮุมลายฟกฮบาปมหันที่เขาได้ทำเนี่ยรดูพวกเขายินดีพวกเขาปิติยินดีในการที่พวกเขาจะอยู่กับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ขาวาลิฟเนี่ยผู้ที่อยู่เบื้องหลังข้างหลังก็คือคนที่อยู่ที่มั ด, ดีนาไม่ไ ด, ด้ออกมาแต่คาว่าควาลิฟเนี่ยเป็นพหูพจน์พหูพจน์ของคอลีฟะอลฟะไม่ช่ขฟอลฟะอี ฟ, อ, ฟอีกอันหนึ่งที่เรารู้กันดีนี่ขอลิฟะขอลิฟะ อุปกรอุมาอุสมาขลิฟ่าใช่ไหขัลิฟตักินตัวแดนมาที่หลังต่หลังนบีนนเนี่ยขลิฟ่าขัลิฟาเช่นเดียกันบุคคลไี่อยู่ที่หลังแต่ขลิฟ่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเพศหญิงไงพอุปธ์นี่มันก็เลยขาวาลิฟขาวาลิฟเนี่ยอกพจน์ของมันเนี่ยขลิฟาเป็นเพศหญิงขาวาลฟกับเพศหญิงทำไมอ่ะเปรียบเทียบมุนาวิกที่ไม่ออกไปสู้รบกับมุญยาฮีดีน เปรียบเสมือนผู้มีอุปสรรคและญาตไม่เป็นอวยพยพสำหรับพวกเธอนี่ก็คือสตรีเรื่องนี้มันไม่ได้บันทอนความสูงส่งของสตรีมุสลิมาู้สตธาแตงใดมุสลิมามีประจําเดือนเป็นข้อตำหนิใดๆไหมแต่ถ้าเราบอกว่าบอกกับผู้ชายบอกว่าเอ็งทำไมไม่ละหมาดมีประจําเดือนเลยอันนี้นี่คือแรงใช่ ถ้าเราพูดกับผู้ชายว่าทําไมไม่ละหมาดมีประจําเดือนเหรออันนี้ก็สุดๆแล้วนะมี ม, ม, มีมีต่อยได้นะเนี่ยมีชกได้เอาผู้หญิงมีประจําเดือนเป็นข้อตํำเน่ยสําหรับผู้หญิงเนี่ยไม่เป็นข้อตำหนิสําหรับผู้หญิงไม่ได้ออกไปยีฮัดเนี่ยไม่เป็นความบุกร้องแองดงดเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้ออกแต่ถ้าผู้ชายไม่ออกไปยีฮัดนะเราดูเขายินดีที่จะเหมือนผู้หญิงหรอที่ไม่ได้ออกไปยีฮัดหรื อันนี้ร อ, อันนี้แรงและไม่ได้ตำหนิตัวการกระทำนะแต่ตำหนิสิ่งที่ทำให้เขาทำก็คือความยินดีของเขาเหลือเชื่อเลยนะสิ่งที่อัลลอองันนี้มันยินยันอะ่การศาสนาอัลล์มองในหัวใจมากกว่าทำไมบางคนไม่ได้ออกญาแต่ใจของเขาเนี่ยอยากจะออกบางคนเนี่ยไม่ได้มาละหมัดแต่ใจเขาเนี่ยอยากจะละหมัดบางคนเนี่ยไม่อยากไม่ได้บริจาค แต่ใจเขาเนี่ยเามีเขาจะบริจาคเห็นมันมันมัน ม, มันต่างกันแต่คนนี่ไม่ได้จิฮัทไม่ไดีสการ์แต่เขาพอใจพอใจสนุกกับเรื่องไม่ไม่ปฏิบัติตามตามหกักสนุกจะเห็นใจเด็กเด็กสนสนเนี่นครูไล่เบรลมาดครูไล่เบรลมาดแล้วมันไม่เบรลมาด บอกกับครูว่าผมละหมาดแล้วครับโกหก น, นะนะคูก็เชื่ออ้วแล้วะหมาดแล้วก็กลับไปหอไปเข้าห้องได้แล้วเด็กก็มันก็ไปคุยในห้องเห็นไหมกูหลอกครูได้เห็นไหสุดยอดอีกกูหลอกครูยางเงไอ้นั่นก็ภูมิใจว่าเรากคูไอ้นั่นก็ภูมิใจว่าไปกห ก, โกพอจะเห็นใจเด็กที่มันยังไม่ยัง มันยังไม่ใช่บาเล็กอเคิลมันยังไม่บรร ล, ลุศาสนาภาวะเราก็ไม่เอาออโทษทิงแม้ว่าการกระท า, าแบบนี้เนี่ยถ้าบรร ล, ลุศาสนาภาวะแล้วอะนะปิติยินดีพอใจสนุกกับเรื่องไม่ทําปฏิบัติธรรมและการศาสนานะอย่างเชน่นถ้าวัยรุ่นบรร ล, ลุศาสนาภาวะกันและโตกันแลว้วอิมามเห็นอยู่หน้ามัสยิดเฮ้ยไปละหมนนาดกันได้แล้วอิมาผมละหมนนาดแล้วครับ อ๋อดีดีดีเด็กดีนะอิหมามก็เข้า <c oughs> หเห็นมหมโกกหลอกอิหมามได้แบบนี้เป็นคนละเรื่องแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เด็กแล้วนะผู้ใหญ่ที่ยินดีบโตแล้วนี่พวกเรานี่โตแล้วทําบาปแล้วยินดีกันน่ะทําบาปแล้วสนุกสนุกกันกับการทําบาปภ <c oughs> ูมิใจกันน่ะแม้ว่าจะภูมิใจด้วยความรู้สึก ภูมใจด้วยวาจาพูดกับคนอื่นรกระซิบกับคนอื่นภูมิใจหรือด้วยการกระทาอย่างที่บอกฮะดีสุานนาบีที่สานนาบีบอกว่า um “คุณล ah ืออุมที่มาอาฟาอิลลมุเจฮีรประชาชาติของฉันเนี่ยมีทางรอดทั้งนั้นยกเว้นพวกมุเจฮีรพวกที่ชอบอวดความชั่วของตัวเองเปิดเผยกลางคืนไปทา ทำความชั่วอย่างลับๆเอาล็กกปกปิดสนิทให้ดีเลยไม่มีใครรู้เลยหวังว่าทำผิดแล้วเนี่ยก็จะเตาบัดตัวแต่นี่ไม่เตือนช้านี่เร่งเว้ยไอ้บัดนี่มาฟังนี่กูดทำอะไรเมื่อคืนนี่มาเล่าให้ฟังคือเขาเนี่ยยังสนุกไม่เต็มที่จนกว่าจะต้องให้ พ, พวกเนี่ยนี่นะนิสัย แก๊งสายทองเอสทีรู้จักไหมแ ก, แก๊งสายทองตกข่าวมันนะีน่สใสไอเด็กที่ข้าประกบอ่ะคือทําทําแล้วมันไปโทรไปบอกเพื่อนไอ้กูทำเนี่ยไ อ, อ้ออคนนั้นอ่ะที่มันไปกระทืบไ อ, อ้คนนั้นอ่ะที่บีบคอจมหน้ามันคือทําแล้วแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ใช่มามามาม า, มาปิดมาเออมาอายมากลัวมาอะไรไม่เนี่ยงโทรไปไรายงานหัวหน้าแก๊งด้วย โทรไปในงานผู้หญิงในแก๊งด้วยนี่สิ่งสิ่งเลวร้ายที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมนี่ไม่ใช่ทำความชั่วแล้วก็ยังมีความละอายน ะ, ะมูนาฟิกจะเป็นแบบนี้ทำความชั่วแล้วก็พึงพอใจในความชั่วของตัวเองด้วยทำไมบทเรียนคำสั่งคาสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมูนาฟิกเรื่องอะไรเนี่ยต้องเรียนรู้หมดเลย เด็กก็้รียนรู้เด็กนี่ก็ต้องเรียนรู้ลักษณะของมุนาิกนี่ผมจาได้นี่ตอนเรียนที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเรียนวิชาฮะดีสนะจะป .2 ปฮะดีสี่ผมจาได้ตั้งแต่ป .2 ป .3 เนี่ยอายาตุลมุนาฟิกสตอนที่ซาอุดียังใช้หลักสูตรศสนาเนี้ไม่รู้ใช้หลักสูตรนกร้องคนไหนเรองศาสนานี่ฮะดีสี่เนี่ย พอาสามมันไ้นะอายะตุลมุนาฟิกทีาลาสแล้วก็ค้าบลฮาริสเนี่คุณก็ต้องมาชาร์ลมาอธิบายว่ามุนาฟิกนี่มันโกหกอย่างนี้มันผิดสัญญาบ้างผมว่าไม่ได้ประโยชน์มากีนก็น้อยนะในเรื่องซึมซับอ่ะรู้อย่างน้อยนี่รู้ว่ามีประเภทมุนาฟิกในสังคมมนุษย์ มันก็ต้องมีคําถามอยูออยใ่ในใจตลอดนี่มุนาวิกนี่เป็นยังไงมันยังไงอยากจะรู้มุนาวิกนี่เป็นยังไงที่อันตรายและก็ร้ายแรงร้ายแรงกว่าความยินดียินดีในการที่พวกเขาจะอยู่ขบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยร้ายแรงกว่านั้นนะ่ะก็คือคนที่ตามมาวะตูบีอาลาคูลูบี จะได้ถูกประทับตราไว้บนหัวใจของพวกเขาเพราะุ้มไลยเพราะหุน้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้าใจอันนี้อันนี้รยแรงกว่าเพราะการที่หัวใจถูกประทับถูกประทับตราไว้นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่มีโอกาสที่จะสํานึกอีกแล้วและเรื่องนี้เนี่ยในหละการศาสนาเนี่ยอันนลลอฮฺ سبحانه และ ให้เป็นโทษสำหรับการฝ่าฝืนที่ร้ายแรงซึ่งมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะที่เลาจะลงโทษแบบนี้หนึ่งโทษใหญ่เนี่ยสำหรับคนที่รับอิสลามแล้วก็ออกจากอิสลามแล้วก็มารับอิสลามใหม่แล้วก็ออกจากอิสลามอย่างทำอย่างเี้ยบ่อยครั้งอย่างเนี้ยเราบอกในกุรานในรรนิสอันละีนาามนูุมมะกัฟร ثم من ثم كفر ثم زاد كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ل ي د ه م طريقا คนที่สัตยา้ะก็บฏิสัาแล้ะก็มาสัตาต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วกับทิสัตาแล้วก็บทีสัายิ่งหลังจากนั้นอลลอจะไม่ให้พยโทษอีกแล้วและจะไม่ให้ทางนาอีกแล้วประทับตาแล้วคนที่ทิ้งการละหมาจุมาเนี่ยสามสี่ครั้งนบีว่าไงอัลลอ์จะ ตบยาแล้วก็ประทับปะทับตาหัวใจของเขาแต่นี้ต้องแบบว่าคือต้องต้องเป็นคนที่วาจิบต้องละหมาดอยู่มานี้มีมุสลิมะมาถามว่าไม่ละหมาดุยู่มาสี่อยู่มานี้มุสลิมะถูกประทับตาหัวไม่มุสลิมะไม่ได้วาจิบสําหรับเธออยู่แล้วที่จะต้องละหมาดหรือคนที่มีอุปสรรคคนป่วยคนนอนติดเตียงอะไรแบบเนี้ยหรือคนที่อยู่กลางทิ้ง ไม่มีมุสลิมไม่มีมมเก็มไม่มีจามาเพียงพอที่จะละหมาดอยู่หมาวเนี่ยพี่น้องบางที่นี่อยู่ทางจังหวัดจังอีสานเนี่ยจะได้ทางมาสิดธิกาที่ส <laughs> <laughs> ุดที่ก็ละหมาดอยู่หมาวเนี่ยต้งดังหกสิบกิโลหกสิบกิโลนี่จริงเขาต้องไปละหมาดแต่พี่น้องส่วนมากนี่เขานั่งรถไปไปกันนะทุกสุกนี่ก็ต้องไปนะเขาตั้งใจจริงๆแล้วก็ส่วนมากเขากลัวฮะดีซี้หนวยกลัวฮะดีซีน่้น้นซี่ อย่างน้อยนี่ก็สองสุกนี่ก็ไปสักสุกหนึ่งจะได้ไม่โดนแต่ที่จริงเนี่ยคนที่มีอุปสรรคนี่ก็ไม่ต้องละหมาดอยู่แล้วทัศนะนาอุละมาส่วนมากนะคนที่อยู่ในทิพนะสมมติเราอยู่อยู่ในทะเลสาอย่างเงี้ยอยู่ขอบครัวนี้ไม่ต้องละหมาดุยู่มาแต่ทัศนะนาบางทัศนะนี่บอกว่าถ้ามากว่าสองคนนี่ก็หรือแค่สองคนนี่ก็ละหมาดอยูมู่อาได้แล้วยเรนนี่ก็เป็นทางออกสําหรับชมรมที่อยู่ อยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีมุสลิมน้อยอะอย่างมมสอเนอี่มมอนอยไม่ใช่วันที่มุสลิมเปิดสันตีนะมอมมอสอในที่ไหนฮะมหาวิทยาลายัยมหาสารคามชมรมมุสลิ ม, มน้อยมากเด็กนะ่าจะไม่ไมหคนหัคนแล้วก็เคยเคยมาถามผมเนี่ยไม่ใช่มาอีกที่หนึง่งเป็นราชาพัฒที่ไหนก็ไม่รู้แถววิสา น, น ก็มีมีเด็กสาจังหวัดเขาได้ฟะตวะมาสับชาฟีบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นมูเกมของตัวเองแล้วก็เป็นต่างถิเนี่ยไม่ต้องละหมาดหรือเ่าแต่เด็กทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณสี่ิกว่าคนแหละแต่เขาเขาเขายึดในมาสยิชาฟีว่าสี่สิบคนเนี่ยต้องเป็นมูเกมไม่ใช่ผู้เดินทางเนในมาสยิชาฟีเี่ยสี่สิบคนนี่ต้องละหมาดนี่นะไอ้คนสัญจรนี่ไม่นับผมบอกเป็นผีดิไม่นับมาละหมาดทั้งทีนี่ไม่นับมาสับชาไม่นับนะ ต้องเป็นมือเก็บนี่หมายถึงว่ามีทะเบียนบ้านที่นั่นนะ่ะนี่กรรมการอิสลามเขากรยิบถ้าจะจ้างมสัสยิดเนี่ยต้องมีทะเบียนต้องมีทะเบียนสี่สิบคนเนี่ยมีทะเบียนบ้านอยู่อยู่ใกล้มสัสยิดถึงจะออกใบอนุญาตให้ต้องมีทะเบียนบ้านไม่มีทะเบียนบ้านในมือเก็แล้วนเขาไม่ออกใบอนุญาตจ้างมสัสยิดให้ก็ถูกต้องตามมาตรฐานน่ะ แต่เองมาจากจอฮิรีเนี่ยเขาบอกว่าสองคนเนี่ยละหมาดยามาฮะละหมาดยูมาฮะได้คิดดูสิเด็กนี่ทั้งชีวิตนะเรียนรู้ในโรงเรียนศาสนาเรียนปอนเนาะละหมาดยุมาฮะทุกยุมาเลยแล้วก็ได้ยินฮะดีสนี่บ่อยในคนนี่ไม่ล ะ, เ พ, ะเพราะที่บ้านเนี่ยก็ต้องกระตุ้นไงเพืจะสนใจเรื่องละหมาดยูมาไหมละหมาดสาานนี่ยูมาต่อเนื่องกันถูกประทับหัวใจถูกประทับตา ไม่รับขีดายะอะไรอีกแล้วและพอไปเรียนมหาวิทยาลัยนี่นะมไม่มีไม่มีชมรมก็ไม่ยอมฉัดละหมัดจุมฮาผ ม, ผมว่าไม่สมควรมุสลิมชมรมที่ไหนเนี่ยมีสองคนในละหมาดจุมฮาได้เลยจะมาเนี่แน่นอนอยู่แล้วที่จริงเนี่ยยิ่งน้อยนะยิ่งมีความจำเป็นในการละหมาดจุมฮและจะมายิ่งน้อยนะ ทำไมอ่ะเพราะนบีบอกเชตตอนเนี่ชอบกินชอบกินแกะที่หลงฝูงเดี๋ยวเดียวอ่ะนักศึกษานี่อยู่ในโอในมหาวิทยาลัยก็อยู่แค่สองสาคนเนี่ยเป็นมุสลิมนะแล้วจะหาใครมาชวนเรื่องละหมาดชวนอ่านคุอ่านชว น, นแล้วก็ชวนตักเตือนกันเรื่องศาสนามันแทบไม่มีอยู่แล้วไง แต่ถ้ามีโอกาสแล้วมัจะมาไกลสักสองคนทุกอัจฉมิะแล้วก็มีเตือนบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยมันสำคัญมากนะสำหรับนักศึกษาในพื้นที่พื้นที่เปรี่ยวๆแบบนี้ควรที่จะมีเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่รุนแรงกว่าเรื่องยินดีกับบาปนะก็คือความการที่อัลลอสุภานะ ว, ว่าจะได้ล็อกหัวใจไม่ให้รับอิดายะอีกแล้ว ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าได้ศึกษาเรื่องของการกระทำของ ม, มุนาฟิกินเนี่ยเราจะเห็นว่าบาปเนี่ยมันมีบทลงโทษในโลกนี้ก่อนที่จะมีลงโทษในโลกหน้าซึ่งการลงโทษในโลกหน้านี่มันก็อาจจะสืบเนื่องจากการลงโทษในโลกนี้การลงโทษในโลกนี้หนึ่งนี่ก็คือ ประทับตาหัวใจนี่คือการลงโทษที่รุนแรงที่สุดแล้วและจากบทลงโทษนี้เนี่ยอุลามาได้บอกว่าสัญญาณของความดีที่อัลลอ์ตอบรับนะการที่อัลลอฮ์จะให้เราได้ทำความดีต่อเนื่องพอทำความดีแล้วเราก็ปิฏิยินดีกับความดีแล้วก็อยากทำความดีอีกทีหนึ่งพอทำแล้วมีความสุขก็อยากทาอีกพอทาแล้วก็มีความมีความสุขก็อยากทำอีก อันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีของความดีแรกที่เราได้ทําว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผอปไทยแล้วถ้าความชั่วที่เราอยากจะเตาบัดตัวและมีสัญญาณว่าอัลลอฮ์ไม่ไม่รับการตาบัดตัวหรือการพยายามที่จะปฏิบัติการที่จะเตาบัดตัวนี้นะการที่เราทําบาปและไม่ตบาบัดตัวนะลังเลในการตบาบัดตัวแล้วก็ทําบาปอีกต่อเนื่องแล้วก็ทําบาปอีกต่อเนื่อง อันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอามาจากไหนก็เอามาจากนีาาากน้พวกมุนาฟิกเนี่ยลอยตัวปล่อยตัวจนกระทั่งหัวใจของเขาเนี่ยสนิทสนมกับความชั่วกับบาปพอสนิทสนมกับความชั่วกับบาปแล้วนี่นะก็อยากจะทําอีกพอใจในเรื่องเนี่ยอีกทําอีกเหมือนคนนี้ไม่ละหมาดอยู่มั้งถ้าเขาเสียใจยอีกอุู่หมาอันหนึ่งเขาต้องรีบแก้ตัวแล้ว เอาสมุว่าวพาดไปอีกดุม้าที่สองนี่ก็ต้องแก้ตัวแล้วแต่นี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็แล้วก็ยังไม่สะเทือนใจอะไรเลยนะสมควรแล้วที่จะถูกประทับตาหัวใจถูกประทับตาถ้าเป็นเรื่องที่น่ากลัวสาหรับบาปอื่นๆที่อาจจะไม่ถึงขั้นบาปของการกระทําของมูนาฟิกนะ้ะบาปเล็กนี่อาจจะมีชะตาการรมเหมือนนี้ด้วยคนสูบุรี ใจนี่เสียใจไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบสูบบุหรี่เขาจะจะรู้เลยว่าคนคนที่สูบบุหรี่แล้วก็ใจเขาเนี่ยไม่ชอบอยู่แล้วนี่นะบ้านป่ายเขาเนี่ยต้องเลิกแน่นอนแน่นอนสิ่งต่างกับคนที่สูบบุหรี่ชอบไม่ชอบอย่างเดียวนะอวดด้วยมีความสุขส่วนตัวนะแล้วก็อยากให้คนได้เห็นว่าเขานี่มีความสุขกับการสูบบุหรี่ไม่พอนะเชิญชวนด้วย ใจป๋าไงมานั่งด้วยกันเนี่ยเฮ้ยเชิญชวนด้วยนี่ทำบาปทำความผิดแล้วก็เชิญชวนคนอื่นเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งทำความชัว่วแล้วก็อยากให้ความชั่วของตัวเองนี่มีมีความชอบก็ต้องเชิญชวนให้คนนี้มา เ, เามชียร์เชียร์ความชั่วความชั่วของตัวเอง การสลายแก๊งเน็กแก๊งแก๊งวัยรุ่นวัยรุ่นที่ปั่นป่วนนะในบ้านเมืองนี่นะสลายแก๊งในสถาบันเนี่ยอันนั้นนะ่ะสำคัญที่สุดที่จริงเนี่ยคือองค์กรต่างๆต้องรับผิดชอบเนี่ยปล่อยให้เรื่องนี้มันงอมจนเด็กกลุ่มนี้เนี่ยออกไปสร้างความเดือดร้อนสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปโยน โทษให้ตำรวจที่งเนี่ยตำรวจนี่ตำรวจนี่อยูะะ่มัคือไปเหตุแล้วแต่ถามว่าในโรงเรียนเนี่ยพวกนี้เนี่ยเวลารวมตัวกันในเวลาคุยกันในห้องเนี่ยครูเนี่ยก็ต้องรู้ครูประจําชั้นเนี่ยก็ต้องรู้ที่ปรึกษานี่ที่ดูแลเรื่องเรื่องสภาพจิตใจของนักเรียนเนี่ยต้องรู้ลเลยนี่นี่กลุ่มนี้นี่แก๊งนี้มันชอบรวมตัวเวลาออกจากโรงเรียนเนี่ยมันชอบแอบเรียกเรียกกันแล้วนี่ต้องรู้เรียกเรีย ก, ย ก, ยกคุยได้เลย สาหลายแก๊งเนี่ยจะเห็นว่าในห้องเรียนเนี่ยมีมีอยู่แก๊งหนึ่งชอบบุลลี่คนอื่นวิธีดีที่สุดนี่นะสังเกตได้เลยสังเกตได้เลยเนี่ยเป็นเป็นสัญดานของมนุษย์ทุกคนเลยนะคนเราเนี่ยเวลาเดินทางคนเดียวเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยมากเลยแต่ขอให้เดินทางสัก5้าคนนะพี่เนะเสียงดังมากเลยนะบนเครื่องก็เสียงดังไปงสนามบินก็เสียงดังทำไมอะ่ะ พวกไงพวกกูไงก็ต้องต้องแสดงเออต้องแสดงแล้วจะยิ่งแบบว่าเขาอยากจะอวดของดีของเขาอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้แต่เขาก็ต้องไปหาเหยื่อที่แบบว่าอ่อนแอในสังคมคนอ่อนแอเนี่ยก็จะก็จะกลายเป็นก็กลายปเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแพรับบาปของพวกนีพอได้พูดถึงเรื่องมุนาฟิกีน อายาถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงบุคคลที่อยู่ตรงข้ามฉายภาพของมูนาฟิกิน <c oughs> เขาทำอะไรเขาเป็นยังไงเขาเสียสละหรือไม่เสียสละผม พ, พูดแล้วเร่งมูนาฟิกินเนี่ยเขาแย่อย่างไงกันเอาฉายภาพตรงข้ามคืนาวีและซาฮาปะถ้าเวลามันไม่พอนะครับก็ต้องยกยอดไว้อาทิตย์หน้านะครับทุกท่านมีคำถามไหมครับในปัจจุบันครับเวลา มันมีคลิปรือว่าอะไรในในในโซเชียลหรือว่าในในเฟซบุ๊กใน youtube มากมายครับเราจะแยกสิ่งที่ผิดเคี้ยนออกจากสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่บิดเบี้ยวออกจากความเป็นจริงนะครับแยกได้อย่างไรบ้างทุกเรื่องอะ่ะเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าไม่มีความรู้ศาสนาพื้นฐานนี่ก็ก็น่าสงสารแล้วนะเพราะคนส่วนมากที่แยกแยะไม่ได้เนี่ย กระสุดเนื่องจากว่าเขาเไม่ได้เรียนรู้และไม่พยายามเรียนรู้ใช้อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองในการในการชี้วัดเรื่องที่กําลังอ่านกำลังชมในโซเชียลนี้คนที่ไม่ยอมเรียนรู้หรือไม่ยอมศึกษานี่นะก็จะแน่นอนก็ต้องตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านี้เอออหอมอกตามตามกระแสมาสังเกตดูในเรื่อง คือเฟซบุเนี่ยก็ถูกออกแบบส่งเสริมความคิดเห็นส่วนตัวฉะนั้นไอไลฟ์ like นี่นะมันไม่มีขีดจำกัดเลยจะไลฟ์อะไรก็ได้ถูกต้องมาแล้วถามว่าเวลาเราอ่านอะไรในโซเชียลเนี่ยเราอยากจะไลฟ์หรือจะชื่นชมเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรไหมก่อนที่จะไลฟ์ก่อนที่จะแชร์อ ะ, อะไรเนี่ยที่มันที่มันจะเตือนเราให้ไม่มีเลย คือชอบแล้วก็ปังปังไปเลยถ้แต่สำหรับผู้สัตดาเนี่ยเขาก็ต้องมีเครื่องมือส่วนตัวอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะในโซเชียลนะหมายถึงว่าในโลกแ ห, แห่งความเป็นจริงด้วยโซเชียลเนี่ยมันเป็นโลกสมมตุติแต่โลกสมมุตินี่มันก็ไม่ห่างจากความเป็นรูปธรรมนะเพราะสิ่งที่เราได้แชร์และแชร์ในในโซเชียลเนี่ยมันก็มีผลลัพธ์ของมัน เชียเรื่องบาปเราก็ได้บาปแชร์เรื่องบาปเราก็อะไรก็ได้ผลลัพธ์ของบาปไปด้วยนะไม่ยว่าโลกสมมตินี่แสดงว่าเราลอยตัวแล้วนี่ไม่ไม่รับบาปกรรมอะไรของมันเลยเนีย่ไม่ใช่วิธีที่สุดนี่เราก็ต้องมีเครื่องมือส่วนตัวสมองสํานึกความความมีอัมพริงสอนเราสบายอันนี้ดีที่สุดสําหรับสําหรับภูสัตตาช่วยได้เยอะโดยเฉพาะในเวทีที่ที่ไม่มี ไม่มีกติกานี่ยโซเชียลนี่เทีไม่มีกติกาอะไรเลยใครอยากเป็นอาจารย์ก็เป็นใครอยากเป็นหมอก็เป็ น, เ ป, นเป็นได้หมดใครจะไปห้ามละ่ะแต่คนก็ยอมหลงนะใครอยากจะใครอยากจะหลอกหลอกเงินชาวบ้านนี่ก็หลอกได้ทําทุกอย่างเล ย, เลย ไปบวมเมกทุกอย่างเลยให้มันเนียนมากแล้วนะคนหลงเชื่อได้นะทําได้หมดเลยแล้วเขารู้ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้นี่มันเยอะนะแต่ไม่คิดจะทําอะไรเกี่กับโซเชียลบัตรซบที่มันที่มันสร้างความบันทวนในสังคมขนาดนี้ไม่ไม่คิดอะไรเลยเพราะผลประโยชน์ของเจ้าของแอปเหล่านี้เนี่ยมันมันมากกว่าที่จะไปกีดกันที่จะไปห้ามก็าได้เขาว่ามารปรทับยังมายถึงว่าประทับ มรู้สกันเป็นอุปมาคือแต่ก่อนนู้นนะ่ะนะข้อแต่มาเนี่ย้อแต่ม่ามาจากข้อตำข้อตำแปลว่าแวนแล้วก็แต่ก่อนนู้นนะ่ะทุกคนเนี่ยที่มีอํานาจเนี่ยมีอํานาจมีทรัพย์สินเนี่ยที่สามารถเขียนคําสั่งในจดหมายเนี่ยหัวแหวนของเขาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์จะมีชื่อเขามีสัญลักษณ์อะไรของเขาแล้วเขาจะใช้เทียนแดง เทียนแดงเป็นยางนะอ่าละลายเทียนแดงเนี่ยแล้วก็เอาแหวนเนี่ยเอาแหวนเนี่ยมาประทับถ้าประทับจดหมายนี่จดหมายนี่ห้ามเปิดห้ามเปิดจนกว่าถึงปลายทางแะแสดงว่าจดหมายนี่ห้ามเปิดแล้วก็เลยอุปมาไว้ในหัวหัวใจนี่นะจะถูกปิดจนเนี่ยไปขวนเกียร์มากเนี่ยึงจะปิดในโลกดูนี้ น, นี่ปิดหัวใจเลยอันนี้เป็นการอุปมาเปรียบเทียบ ว่าคนที่ขาดเรื่องมรอ่าแต่มีความดีอย่างที่เขาทำเรื่องพระว่าปัจจัตตโตว่าเรื่องของการที่ทำไม่ไม่ไมผมบอกแล้วอ่ะคือคนที่ละหมาดวังสุขไม่ละหมาดวังสุขและก็มีความดีอื่นทํานี่แหละความดีอื่นเนี่ยอันที่สมมุติฐานที่ที่มันที่มันยุติธรรมที่สุดนะคนที่มีความดีอยงอื่นเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยพอถึงสุขที่สองเนี่ยเขาจะสํานึกละ แต่ น, นี้เขาไม่มีอุปสรรคเลยเนี่ยสุกที่สองนี่ก็ยังไม่สำนึกตั้งตัวอันนี้ต้องใจคือประทับสิบสุกสี่สุกเนี่ยคือตั้งใจไม่ละหมาดนะแสดงว่าครั้งครั้งแรกนี่อาจจะพลาดใช่ไหมอ่ะครั้งที่สองนี่เปล่าเขาก็มีความสำเร็จไปแล้วไม่ไปแสดงว่าตั้งใจและครั้งที่สามเนี่ยมีความสามารถที่จะสำนึกเตาบาดตัวแล้วก็ไปละหมาดีไม่เขายังตั้งใจอีกแสดงว่าคนนี้ไม่มีความดีเพียงพอที่จะ ปลุกความสำ น, นึกของตัวเองไม่ให้พลาดสามสี่ครั้งนี่คือสู ม, มุติฐานซึ่งอย่าลืมว่าคนที่พลาดละหมาดวันศุกร์นี่นะตั้งใจไม่ละหมาดวันศุกร์เนี่ยละหมาดยมมาม้าเนี่ยไม่ต้องคุยแล้วนะเพราะในความสำ น, นึกของมุสลิมเนี่ยละหมาดอยู ม, มา้าเนี่สําคัญกว่าละหมาดยมมาม้าสําคัญกว่าละหมาดท่าวคตูแสดาคนที่ไม่ละหมาดอยู่ ม, ม้าเนี่ยส่วนมากอนะก็คือเป็นคนที่ ละหมาดห้าวัตัวนี่เขาก็ไม่ไม่แล้วคิดดูที่หนึ่งสัปดาห์นี่จะมาห้าก็ไม่ละหมาดซุกก็ไม่ละหมาดหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สสัปดาห์สสัปดาห์นะความดีอะไรที่เหลือล่ะแต่ถึงกระนั้นกระาำอุลามะเขาบอกว่าเพียงละหมาดวัคตัวเดียวเนี่ยอย่าว่าละหมาดจุมานะศาสนะของอันนี้มันอนี่เขาอ้างว่าเป็นอิจมาของสหภาพ การละหมาดเพียงวัคตูเดียวไม่ใช่จุมั่งเดียวนะละหมาดละหมาดทั่วไปเนี่ยละหมาดอาวัคตูไม่ละหมาดหนึ่งวัตูจนกว่าเวลามันหมดโดยไม่มีเหตุผลไม่มีอุปสรรคใดๆเนี่ยอย่าละหมาดเนี่ยก็ถือว่าตกศาสนาอันนี้ศาสนาเลยอีหมาดอ้างว่าเป็นทัศนาของอุลมะส่วนมากความเห็นของผมเนี่ยว่าทศนาอุลมาส่วนมากเนี่ยไม่ใช่ และผมมองว่าทัศนคติขนี้หมายถึงว่าคนที่ท้าทายด้วยการทิ้งละหมาดนี่ก็หมายถึงว่าในใจเนี่ยเขาเหมือนปฏิเสธละหมาดไปด้วยเห็นว่าละหมาดเนี่ยไม่สมควรที่จะเป็นวาจิบอันนี้เนี่ยตกศาสนาแน่นอนซึ่งคนที่ตั้งใจละหมาดเนี่ยส่วนมากเนี่ยคล้ายๆจะมีความรู้สึกแบบเนี้คือหมายถึงว่ารู้ว่าการละหมาด รู้นะทราบแล้วเนี่ยว่าอิสลามบอว่าละหมาดเนี่เป็นว ajib แต่เขาไม่มีอุปสรรคและไม่มีอะไรที่จะกีดกั้นขัดขวางการละหมาดแต่เขาตั้งใจละหมาดเท่ากับเขารู้สึกว่ามันไม่สมควรที่จะเป็นว ajib ไอเขารู้สึกว่าไม่สมควรที่จะเป็นว ajib นี่แหละมันอยู่ตรงนี้แหละมันมันคล้ายๆปฏิเสธปฏิเสธขุ่กล่อมปฏิเสธหลักการ่ะว่ามันเป็นว ajib แคนั้น ไม่ต้องไม่ต้องงงกับเรื่องละหมาดจุมานะอย่าว่าจุมาน่ะเนี่ยอุลามาบางท่านเนี่แค่ละหมาดวอกตัเดียวนะไม่ต้องไปถึงขการอดจุมานี่มันสาคัญกันหนึ่งวอตัวอยู่แล้วคนดีทิ้งละหมาดจุมาแต่ผมตั้งใจจะจะบอกสามประเภทน่ะมุนาวิกนี่ไงอ่ามุนาวิกที่ในอียาตะกีเนี่ยวตูเบาะลาโกลูบิมะ <c oughs> <laughs> <laughs> บ่เ ع ียดสัครับอัลลอฮฺุสุบฮฺานะกัลลอฮฺุมะบิฮัมดิคัลชาดุฮฺอ ل ลลอฮฺะอิลลัลลอฮฺะัสซัฟุรุคะตุลิลลิห์ุสลลัลลอฮุอลานบนมุฮัมมัดะลาอลซ